ระบบของมัชชิมาปฏิปทาได้กล่าวแล้วว่ามัชชิมาปฏิปทาเป็นประมวลคำํำสอนภาคปฏิบัติคือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนามัชชิมาปฏิปทาจึงมีขอบเขตกว้างขวางและมีรายละเอียดมากการที่จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพูดถึงราเป็นไปไม่ได้ แม้เพียงจะแสดงแนวการปฏิบัติที่เป็นหลักใหญ่โดยย่อให้ครบทุกหลักก็มีทั่วถึงอยู่แล้วในที่นี้จึงเพียงใช้วิธีพูดคลุมๆไปและยกเฉพาะแง่ที่ควรสนใจขึ้นมาชี้แจงเป็นตอนๆไปเท่าที่เห็นว่าควรรู้ทางสายเดียวแต่มีองค์ประกอบ8ปดอย่างมัชชิมาปฏิปทา ที่เรียกง่ายๆว่ามาร์กนีมีองค์คือองค์ประกอบหรือส่วนประกอบ8ประการจึงเรียกว่ามาร์กมีองค์แปดคำบาลีว่าอัททังคิกมัคองค์8ดนั้นคือ 1. สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบส สัมมาวาจาวาจาชอบ 4. สี่สัมมารกรรมตะกระทําชอบห้าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบหกสัมมาวายามะพยายามชอบเจ็ดสัมมาสติระลึกชอบและแปด สัมมาสมาธิจิตมั่นชอบเมื่อมีองค์ครบแปดโดยที่แต่ละองค์นั้นเป็นสัมมาคือชอบถูกต้องถูกเต็มอย่างที่กล่าวมานั้นมักมีองค์แปดหรืออัตถางคิกามักนั้นก็เป็นอริยะคือประเสริฐจึงเรียกว่าอริยะอัทถางคิกามักหรืออริยอัสดางคิกามัก อริยามรรคมีองค์แปดหรือมรรคฐ า, านประเสริฐมีองค์ประกอบ8ประการเรียกสันส้นๆว่าอริยามรรคแต่ถ้าองค์แปดคือทิฏฐิสังกปะวาจากรรมันตะอาชีวะวายามะสติสมาธินั้นไม่ชอบไม่เป็นสัมมาก็ผิดเป็นมิจฉาคือเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิถ้าอย่างนี้มรคนั้นก็ไม่เป็นอริยก็กลายเป็นอนารยมร์หรืออนารยามร์ไปพึงเข้าใจชัดไว้ว่าองค์หรือองค์ประกอบ8นี้ไม่ใช่ทาง8ดทางไม่ใช่เป็นหลักการที่ต้องยกขึ้นมาปฏิบัติให้เสร็จปทีละข้อตามลาดับแต่เป็นส่วนประกอบของทางสายเดียวกัน อาศัยกันและกันเหมือนเกลียวเชือกแปดเกลียวที่รวมเข้าเป็นเชือกเส้นเดียวและต้องปฏิบัติเคียงข้างประสานกันอย่างเป็นระบบไปโดยตลอด